กกะมูลกะในที่สิทอนุกลามราคานุส mm ัยและปฏิคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิมานานุใสในที่ใดนอนเนื่องกลามราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิมานานุสัยในที่นี้คือในรูปประธาตและรูปประธาตนอนเนื่อง แต่การมราคานุสใสและปฏิคานุสใสไม่ใช่นอนเนื่องมานานุัสและการมราคานุสใสในที่นี้คือในเวทนาสองในครามมัธยานอนเนื่องแต่ปฏิคานุัยไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสใสในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องแต่การมราคานุสใสและมานานุสใสไม่ใช่นอนเนื่องอนุการมาราคานุใสและปฏิคานุัยในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุัย วิจิกิจฉานุสัยในที่น mm ั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดนอนเนื่องการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยและการมราคะนุสัยในที่นี้คือ ในเวทนาสองในกรมธาตุนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องแต่กรร ม, า ร, มราคา น, สา爸爸นุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอนุกรรมราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องภาวะราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิภาะวะราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่อง การมราคานุสัยและปฏิคาน in ุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิไม่ใ so. ช eh? like ่อนุการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องเอาวิชานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิอาวิชานุสัยในที่ใดนอนเนื่องการมราคานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิอาวิชานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและรูปธาตุนอนเนื่อง การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องเอาวิชานุสัยและการมราคานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในการมาธาตุนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องเอาวิชานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องแต่การมราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องทุกกะมูลกะในจบติกะมูลกะในยี่สิบเอดอนุ การมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิวิจิกิจฉานุสัยและมานานุสัยในที่นี้คือในรูปประธาต์และอรูประธาต์นอนเนื่อง แต่การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยการมราคานุสัยและมานานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในการมาธาตุนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและมานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอนุ ปัมราคานุสัยปติคานุสัยและมานานุสัยในที่ใดนอนเนื่องภาวะราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิภาวะราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องปัมมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิภาวะราคานุสัยและมานานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและรูปธาตุนอนเนื่อง แต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องกามราคานุสัยและมานานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกามัทนานอนเนื่องแต่เพราะว่าราคานุส sure ัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องแต่เพราะราคานุใสกามราคานุใสและมานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอนุ การมราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่ใดนอนเนื่องเอาวิชานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิเอาวิชานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิเอาวิชานุสัยและมานานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและอรูปธาตุนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่อง อวิชานุสัย ils, 2, การมราคานุสัยและมานานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกรรมทาต์นอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยและปฏิคานุสัยในที่นี้คือในทุกเวทนานอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและมานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องติกตะมูลกะในจบจะตัวะมูลกะในยี่สิบสองอนุ ปามาราคานุสัยปตคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยในที่ใดนอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิวิจิกิจฉานุสัยในที่ใดนอนเนื่องปามราคานุสัยปัตตคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิวิจิกิจฉานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานนุสัยในที่นี้คือ ในรูปะธาตุและรูปะธาตุนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุใสไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุใสกามราคานุใสมานานุสัยและทิฐานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในกรรมธาตุนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องวิจิกิจฉานุใสปฏิคานุใสและทิฐานุสัยในที่นี้คือในทุกเวทนานอนเนื่องแต่การมราคานุใส และมานานุา hm, นส buckets, well. ัยไม่ใช่นอนเนื่องอนุกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยในที่ใดนอนเนื่องภวะราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิภาวะราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิ ภาวะราคานุใสมานานุสัยและทิฐานุสัยในที่นี้คือในรูปประทัดและอรูปประทัดนอนเนื่องแต่การมราคานุใสและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุใสมานานุใสและทิฐานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในการมาธาตุนอนเนื่องแต่ภาวะราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยและทิฐานุสัยในที่นี้คือ ในทุกเวทนานอนเนื่องแต่เพราะว่าราคานุัสการมราคานุัสและมานานุัยไม่ใช่นอนเนื่องอนุการมราคานุัยปฏิคานุัสมานานุัสและทิฏฐานุัยในที่ใดนอนเนื่องเอาวิชานุัยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิอวิชานุัยในที่ใดนอนเนื่องกรรมราคานุัสปฏิคานุัสมานานุใส และทิฏฐานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิอวิชานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและรูปธาตุนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยการมราคานุสัยมานานุสัยและทิฏฐานุสัยในที่นี ism, utions, ้คะือในเวทนาสองในกรมธาตุนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่อง อวิชานุสัยปฏิคานุสัยและทิฐานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและมานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องจะตุกะมูลกะในจบปัญจกะมูลกะในยีสิบสาอนุการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยในที่ใดนอนเนื่อง ภาวะราคานุัยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิภาวะราคานุใสในที่ใดนอนเนื่องรามราคานุสัยปฏิคานุัสมานานุัสทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิภาวาราคานุัสมานานุัสทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยในที่นี้คือในรูปธาตุและรูปธาตุนอนเนื่อง แต่การมาราคานุัสและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องการมราคานุัสมานานุัสทิฏฐานุสัยและวิจิขิจฉานุสัยในที่นี้คือในเวทนาสองในการมาธาตุนอนเนื่องแต่ภาวะราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องปฏิคานุสัยทิฏฐานุัสและวิจิขิจฉานุสัยในที่นี้คือในทุกเวทนานอนเนื่องแต่ภาวะราคานุใสการมราคานุใส และมานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอนุกรมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยในที่ใดนอนเนื่องอวิชานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิอวิชานุสัยในที่ใดนอนเนื่องกรมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัย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 ในเวทนาสองในการมาธาตุนอนเนื่องแต่ปฏิการนุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุสัยปฏิกานุสัยทิฏฐานนุสัยและวิจิกิจชานุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องแต่การมาราคานุสัยและมานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องปัญจกะมูลกะในจบฉักกะมูลกะในยีสบสอนุ การมราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุใสและภวะราคานุสัยในที่ใดนอนเนื่องเอวิชานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิเอวิชานุสัยในที่ใดนอนเนื่องการมราคานุใสปฏิคานุใสมานานุใสทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยและภวะราคานุสัยในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหม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 แต่ปฏจจุบนุสัยและภาวะราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอวิชานุใสัยปฏิบ า, านุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกริชนุสัยในที่นี้คือในทุกขเวทนานอนเนื่องแต่การมาราคานุใสมานา น, านุใสและภาวะราคานุใสไม่ใช่นอนเนื่องฉักปะมูลปะในจก บุคโอกาตเอกะมูลกะในยี่สิห้าอนุกามราคานุสใยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องปฏิคานุสใยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิปฏิคานุสใยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสใยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิไม่ใช่อนุ การมราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิมานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องการมราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกรมธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่อง แต่การมราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและรูปธาตุมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามราต์มานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องและการมราคานุสัยก็นอนเนื่องอนุการมราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่อง ทิฏฐานุสัยวิจิกิจชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกในเวทนาสองในกามธาตุกามราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่วิจิกิจชานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลผู้เป็นปุถุชนในเวทนาสองในกามธาตุกามราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องและวิจิกิจชานุสัยก็นอนเนื่องปฏิ วิจิกิจานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องการมราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุตุชนในทุกเวทนาในรูปธาตุและรูปธาตุวิจิกิจานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมธาตุวิจิกิจานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่อง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 อวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิอวิชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องกลามราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกลามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุอวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่อง บุคคลสามเจมพวกในทุกขเวทนาในรูปาธาตุและรูปธาตุอวิชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมาราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมธาตุอวิชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องและกรมาราคานุสัยก็นอนเนื่อง26อนุปฏิคลานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่อง มานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิไม่ใช่ปฏิมานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิไม่ใช่อนุปฏิคลานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยวิจิกิานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสองจำพวกในทุกขเวทนา ปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลผู้เป็นปุตุชนในทุกขเวทนาปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสัยก็นอนเนื่องปฏิวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุตุชนในเวทนาสอง ในกามธาต์และในรูปธาตุอรูปธาตุวิจิกิจฉานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาวิจิกิจฉานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นนอนเนื่องและปฏิคานุสใสก็นอนเนื่องอนุปฏิคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องภาวะราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิไม่ใช่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 มนาษามีบุคคลในเวทนาสในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุเอาวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลสามจำพวกในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุเอาวิชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกขเวทนา อาวิชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องและปฏิคานุสัยก็นอนเนื่องยี่สิบเจ็ดอนุมานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องทิฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในเวทนาสองในกรรมธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่อง แต่วิจิกิชานุ ส, สัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลผู้เป็นปุทุชนในเวทนาสองในกรรมธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องและวิจิกิชาก็นอนเนื่องปฏิวิจิกิชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุทุชนในทุกโวเทนา วิจิกิจชานุสใย kind of ของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่มานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุวิจิกิจชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องและมานานุสใสก็นอนเนื่องอนุมานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิ บุคคลสี่จำพวกในเวทนาสองในกมามธาตุมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ภาวะราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องและภาวะราคานุสยัาาาสยก็ใใ น, นอนเนื่องปฏิภาวะราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหม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 บุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามทธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุอวิชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องและมานานุสัยก็นอนเนื่องยี่สิบอนุทิฐานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องวิจิกิจานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิวิจิกิจานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่อง ทิฏฐานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่อนุทิฏฐานุสยัยวิจิกิจชานุสัยของบุคคลใดในที่นใด น, นอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุถุชนในเวทนาสามในกมามธาตุวิจิกิจชานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่าานั้นนอนเนื่องแต่เพราะว่าราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่อง บุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องและภาวะราคานุสัยก็นอนเนื่องปติภาวะราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุภาวะราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่อง ได้วิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลผู้เป็นปุตุชนในรูปธาตุและรูปธาตุภาวะราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องและวิจิกิจฉานุสใสก็นอนเนื่องยี่สิบเกอนุวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องเอาวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิเอาวิชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่อง วิจิกิจานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในเวทนาสามในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุเอาวิชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่วิจิกิจานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลผู้เป็นปุตุชนในเวทนาสามในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุเอาวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่อง และวิกิกริชานุสัยข้อนอนเนื่องสาสิอนุเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิใช่ปฏิอวิชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสี่จำพวกในเวทนาสามในกามธาตุ อาวิชานุใสของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ภาวะราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุเอาวิชานุสัยของบุคคลเหล um. ่าน enfin ั Never, ้นในที่นั้นนอนเนื่องและภาวะราคานุสัยก็นอนเนื่องเอกระมูลกะในจบทุกกะมูลกะในสาสเอดอนุการมราคานุสัยและปฏิคานุสใยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่อง มานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิมานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องการมราคะนุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่อง แต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและรูปธาตุมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุมานานุสัยและการมราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอนุ ปรมราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องทิฏฐานุสัยวิจิจิชนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิวิจิจิชนุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องปรมราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุทุชนในรูปธาตุและรูปธาตุ วิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยและปฏิกานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมธาตุวิจิกิจฉานุสัยและกามราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ปฏิการนุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาวิจิกิจฉานุสัยและปฏิกานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่อง แต่การมาราคานุัยไม่ใช่นอนเนื่องอนุการมาราคานุัยและปฏิคานุัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องภาวะราคานุใยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิภาวะราคานุัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องการมาราคานุัยและปฏิคานุใยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิไม่ใช่อนุ การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องอาวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิอาวิชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลในเวทนาสามในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุ อวิชานุส an ัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุอวิชานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรมธาตุอวิชานุสัยและกามราคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่อง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 วิจิกิจานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิวิจิกิจานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องปามราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุตุชนในรูปธาตุและอรูปธาตุวิจิกิจานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่อง แต่การมาราคานุสัยและปฏิคานุัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมธาตุวิจิกิจฉาการมาราคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาวิจิกิจฉานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมาราคานุสัยและมานานุใสไม่ใช่นอนเนื่อง อนุการมราคานุสยัยปฏิคานุสยัยและมานานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิเพราะว่าราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสยัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิไม่ใช่อนุ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 อวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมาราคานุสัยปฏิคานุสัยและมานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุอวิชานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและรูปธาตุ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 อวิชานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมาราคานุสัยและมานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องเตะกะมูลกะในจบจตุกะมูลกะในสาสิบสาอนุการมาราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องวิจิกิจานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหม วิไม่มีปฏิวิจิกิจชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลผู้เป็นปุตุชนในรูปธาตุและอรูปธาตุวิจิกิจชานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่อง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 แต่การมราคานุส si. huh? ัยและมานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอนุกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องเพราะราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิภพะราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัย และทิฐานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสามจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุภวะราคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กามราคานุัยปฏิคานุสัยและทิฐานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลผู้เป็นปุทุชนในรูปธาตุและอรูปธาตุภวะราคานุใสมานานุัยและทิฐานุัสของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่อง แต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอนุการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องอวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิอวิชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องกามราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัย และทิฏฐานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิอนาคามีบุคคลในทุกวเวทนาอาวิชานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมาราคานุสยัยปฏิคานุสยัยมานานุสยัยและทิฏฐานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมธาตุและในรูปธาตุอรูปธาตุ อาวิชานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยปฏิคานุสัยและทิฐานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลสองจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุเอาวิชานุสัยและมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยปฏิคานุสัยและทิฐานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุ อาวิชานุสัยการมราคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยและทิฐานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาอาวิชานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมราพานุัสมานานุัยและทิฐานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลผู้เป็นปุตุชนในรูปธาตุและอรูปธาตุ อวิชานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยและปฏิคานุส <tissues>, <tr Product today> ัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมธาตุอวิชานุสัยกามราคานุสัยมานานุสัยและทิฐานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในทุกเวทนา อวิชานุสัยปฏิคานุสัยและทิฐานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมราคานุใสและมานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องจะตุกะมูลกะในจบปัญจกะมูลกะในสามสิบสี่อนุการมราคานุใสปฏิคานุใสมานานุสัยทิฐานุสัยและวิจิกิจานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่อง ภาวะราคานุใสของบุคคล น, นั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิภาะวะราคานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องกลารมาราคานุสยัยปฏิคานุสยัยมานานุสยัยทิฏฐานุสยัยและวิจิกิจชานุสัยของบุคคล น, นั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหมวิบุคคลสามเจ้าพวกในรูปธาตุและรูปธาตุ เพราว่ราคานุสัยและมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลผู้เป็นปุถุชนในรูปธาตุและอรูปธาตุเพราว่ราคานุใสมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องอนุ กรมราคานุสัยปฏิคานุใสมานา น, น, น e. สุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องอาวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องมีไหมวิไม่มีปฏิเอาวิชานุสัยของบุคคลใดในที่ใดนอนเนื่องกรมราคานุสัยปติคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นก็นอนเนื่องใช่ไหม วิอนาคามีบุคคลในทุกเวทนาอวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกามธาตุและในรูปธาตุอารูปธาตุอวิชานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กามราคานุสัยปฏิคานุสัย ทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุใสไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลส at at องจำพวกในรูปธาตุและรูปธาตุอวิชานุสัยและมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่กามราคานุสยัยปฏิคานุใสทิฏฐานุสยัสยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมธาตุอาวิชานุสยัยกามราคานุสยัย และมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาเอาวิชานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมาราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลผู้เป็นปุตุชนในรูปธาตุและอรูปธาตุ อวิชานุสัยม า, านานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิจิชนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมาราคานุสัยและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมะทาคอวิชานุสัยกามาราคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิจิชนุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่อง บุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาอวิชานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยและมานานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องปัญจักรกะโมลกะในจบฉากระมูลกะในสาสิบห้าอนุการมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจฉานุสัย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 อวิชานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยปฏิคานุสัยมานานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจานุสัยและภาวะราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในการมธาตุอวิชานุสัยและมานานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมรรคานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยวิจิกิจานุสัย และภวะราคานุใสไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในรูปธาตุและอรูปธาตุอวิชานุใสมานานุสัยและภวะราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมาราคานุใสปฏิคานุสัยทิฐานุใสและวิจิกิจฉานุใสไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลสองจำพวกในรูปธาตุและอรูปธาตุอวิชานุใสมานานุใส และภาวะราคานุัสของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมราคานุสัยปฏิคานุัสทิฏฐานุัสและวิจิกิชานุัสไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมธาตุอวิชานุสัยการมราคานุัสและมานานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ปฏิคานุัสทิฏฐานุัสวิจิกิชานุัย และภาวะราคานุใสไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลเหล่านั้นน่แหละในทุกโวทนาอวิชานุสัยและปฏิคานุสัยของบุคคลเหล่านั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมราคานุใสมานานุใสทิฏฐานุใสวิจิกิจานุสัยและภาวะราคานุใสไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลผู้เป็นปุถุชนในรูปธาตุและอรูปธาตุเอวิชานุใสมานานุใสทิฏฐานุใส วิกิกิจฉานุสัยและภาวะราคานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมาราคานุใสและปฏิคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องบุคคลนั้นนั่นแหละในเวทนาสองในกรรมธาตุอวิชานุใสการมาราคานุใสมานานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุใสของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่ปฏิคานุใสและภาวะราคานุใสไม่ใช่นอนเนื่อง บุคคลนั้นนั่นแหละในทุกขเวทนาอาวิชานุสัยปฏิคานุสัยทิฏฐานุสัยและวิจิกิจฉานุสัยของบุคคลนั้นในที่นั้นนอนเนื่องแต่การมาราคานุสัยมานานุสัยและภาวราคานุสัยไม่ใช่นอนเนื่องจะกะมูลกะในจบอนุโลมในอนุสยะวาระจบ